พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอย่าดันทุรังพระวัดเรา ณนะวันนี้พระสี่สิบรูปแต่พระจำพรรษามีอยู่สิบสามสิบเจ็ดรูปมั้งพระจำพรรษานะแต่บวชใหม่เข้ามาอีกรูปสองรูปที่พระไม่ได้จำพรรษาเพราะว่าบวชในช่วงปลายพรรษามันเข้าพรรษาไม่ทันแปลว่าคงจะออกพรรษาหน้าแต่ศรัทธาญาติโยม คนส่วนมากจะสงสัยว่าเอ๊ะในพรรษานี่จะบวชได้หรือเปล่าแต่ตามไม่จริงในพรรษานี่ยบวชได้ตามพระวินัยนะตามพระวินัยของพระสงฆ์เราบวชได้การสร้างการทําคุณงามความดีทำได้ทุกเวลาทุกโอกาสที่จริงพระสงฆ์ที่แรกใหม่เขาพระสงฆ์เขาคิดเหมือนกัน ไม่บวชเพราะว่ากลัวจะเป็นต้นบรรญัตของพระพุทธเจ้ากลัวพระพุทธเจ้าจะบัญญัตวินัยว่าภิกษุบวชในพรรษาทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายปรับอาบะสมก็กลัวจะเป็นต้นบัญญัตไม่มีใครบวชพอต่อมานางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านได้ลูกแล้วก็ได้หลานเยอะ แต่มีหลานคนหนึ่งนางวิสาขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะให้หลานคนนี้บวชในพระพุทธศาสนาก็ได้มาฝากกับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ยังไม่ได้ห้ามแต่ยังไม่ได้ทรงอนุญาตว่าในพรรษานี้บวชได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกอาตมา พระสงฆ์ทั้งหลายไม่กล้ารับเพราะว่ากลัวจะถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็ขึ้นหน้าหนึ่งเหมือนกันคือเป็นต้นบัญญัติใครๆก็กลัวเป็นต้นบัญญัติเพราะมันประทับไว้ภิกษุกลุ่มนั้นบวชพระในพรรษาเป็นการยุ่งเหยิงวุ่นวายปรับอบวบถุกฏหรือปรับอบัตพระสงฆ์เหล่านั้นก็กลัวไม่มีใครไม่มีใครกล้า ก็เลยบอกเออออกพรรษาจะก่อนเถอะมหาอุบาสิกาออกพรรษายังค่อยบวชพอออกพรรษาแล้วก็หลานของนางวิสาขาก็เลยเปลี่ยนใจไม่บวชไอ้พอไม่บวชนางวิสาขาก็เลยเสียความรู้สึกเสียใจเพราะว่าลูกชะหลานชายไหมายมั่นปั้นมือว่าจะได้บวชเขาตกลงว่าจะบวชแล้วแต่ว่า พอออกพรรษาก็เลยเปลี่ยนไม่บวชพอไม่บวชนะวิสาขาก็เสียความรู้สึกก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าขอพรขอพระพทธองค์หม่อมฉันขอประทานพรจากพระพุทธองค์ด้วยเทอนถ้าคุณบุตรที่จะบวชในพรรษาก็ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้บวชได้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของ คนนะ่มันเปลี่ยนได้ง่ายถ้าหาว่าเขาที่จะบวชกับบวชในช่วงนั้นถ้าว่ามันผิดช่วงไปแล้วรอไปอีกก็ทำให้ผู้ที่จะบวชนะเปลี่ยนจิตใจขอพระองค์จงประทานให้บวชในพรรษาได้ด้วยเทินพระเจ้าข่านะเพราะหลานของหมอมฉันเนี่ยเป็นตัวอย่างมาแล้วพระพุทธองค์ก็เออเรียก ประชุมส่งพอประชุมส่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ บ, บัญญัติปรว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณลมบุตรที่จะบวชในพรรษาอนุญาตให้บวชได้ถ้าภิกษุใดกลุม่มใดไม่อนุญาตให้บวชปรับอบัตทุกกฎปรับโทษแก่พระภิกษุที่ห้ามไม่ให้คุณลมบุตรสุดท้ายภายหลังที่จะบวชเพราะเป็นการตัด มักตัดผลของเขาเนี่ยแหละอันให้ขอให้พวกเราเข้าใจนะอคือพระวินัยของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมีเหตุซะก่อนจะค่อยมีผลในเมื่อพระองค์บัญญัติแล้วต่อพวกเราก็บวชในพรรษาทวักกุลบุตรที่จะบวชจะดํารงทรงศาสนากับบวชหรือเราก็บวชได้เนี่แหละคืออันนี้คือเป็นความเป็นมาของวินัยวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงมันจัดไว้นะแล้ววันนี้เป็นวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2557อีกวันที่8ก็เป็นวันปวารณาออกพรรษาพระสงฆ์ทั้งหลายจะได้ปวารณาไม่ว่าเป็นวันมหาปวารณาคณะสัตย า, าติโยมก็บางวัดเขาก็ ทำพิธีตักบาตรเทโวที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปจำพรรษาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นพระอินและแกโยมมารดาของท่านเป็นเทวบุตรอยู่ชั้นดุสิตลงมาฟังธรรมเทศนาที่ดาวดึงพระองค์ก็ได้ขึ้นจำพรรษาสามเดือนเทศให้เทวดาฟังเทวพระอภิธรรมพระประมัตรธรรม ที่พระองค์ได้แสดงดูชั้นดาววันหนึ่งในพรรษานั้นพอออกพรรษาพระองค์ก็ได้เสด็จลงมาจากชั้นสวนรรค์ลงมาเมืองอะไรเมืองสังกัสานครในประเทศอินเดียเมื่พอพระองค์เสด็จลงมาที่นั่นพี่น้องประชาชนไปทานทุกวันก็คงจะไปกลางตตงกลางเต้นรอรับพระพุทธทเจ้าสมัยนั้นก็คงจะ มงจากมุงแฝกคอยรับพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ก็มีการทําบุญตักบาตรถวายพระพุทธเจ้าจึงวาถือว่าเป็นวันตักบาตรเทโวเป็นมาพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นเรียวเทวดาลงมาสู่มนุษย์พระพวกมนุษย์ทางหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ได้ตักบาตรพระพุทธเจ้า ถือเป็นประเพณีมาสำหรับฝ่ายพระสงฆ์ที่ในออกพรรษาวันมหาปวารณาอย่างพระของเราเนี่ยที่องค์ที่จำพรรษากับปวารณาถท่าออกองค์ที่ไม่จำพรรษาก็ บ, บอกบริสุท ธ, ธิ์นะครความบริสุทธิ์ในศีลและวินัยแต่สำหรับพระองค์ที่จำพรรษาได้ปวารณาได้ อธิฐานพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วก็ต้องปวารณาต่อกันการปรวารณาต่อกันศรัท ธ, ธาญาติโยมที่พึงเข้ามาสู่วัดวาศาสนาหรือไม่ได้เคยบวชเรียนเขียนอ่านถึงเคยจะบวชก็เถอะไม่ได้สนใจก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วว่าปวารณานั้นคืออะไรปวารณาอะไรคือปวารณามีความหมายใน พระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติวินัยก่อนที่วันออกพรรษาเมื่อพวกท่านจำพรรษาด้วยกันมากมายหลายองค์หลายชาติชั้นวรรณะมาอยู่ด้วยกันถ้าวาผู้ที่เป็นกษัตริย์ก็ปยองไปอีกอย่างหนึ่งเป็นพราหมณ์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ละคนผู้มีความรู้ด็อกเตอร์ธรรมทาุกวันี้นะถ้าเป็นด็อกเตอร์ ปรปิญญาตีปรัญญาตรีอะไรนั่นก็คงจะแบ่งชั้นวรณะกันคล้ายๆกับว่าอยู่ในข้างในแต่พระพุทธองค์ท่านทรงบัญญัติวิหนขึ้นมาว่าเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาที่จะแยกย้ายกันออกจากเมื่อออกพรรษาแล้วก็แยกย้ายกันไปไปจารตุรทิศไปทางคิดของของใครของเรา แต่ในช่วงที่ออกพรรษา ท, ที่จะแยกย้ายกันเนี่ยควรจะปะวารณาต่อกันให้ปวารณาต่อกันเพราะว่าการอยู่ด้วยกันที่ผ่านมาอาจจะมีการาคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีคือบอกสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นธรรมในการอยู่ด้วยกันในการอยู่ร่วมกันควรจะปะวารณาต่อกัน พระพุทธองค์ก็เลยันบัญญัติวินัยขึ้นมาดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพวกท่านทั้งหลายจะแยกย้ายไปกันไปสู่จาตรตุรทิศเมื่อออกพรรษาแล้วพวกท่านทั้งหลายควรปรารณาต่อกันซะก่อนเพื่อให้ว่าก่าวตักเตือนกันได้ต่อไปแต่พระพุทองค์ก็บัญญัติวินัยเพราะนั้นวันออกพรรษาที่วันที่แปที่จะถึงเนี่ย พระสงฆ์ทั้งหลายก็จะมารวมกันที่ศาลาหลังนี้เพราะศ า, าลางนี้เป็นโบสถ์นะแทนโบสถ์ได้ทุกอย่างพอมีหลักวิสุงคามสีมายอย่างพวกเราเห็นทางหน้าเนะี่ยศาลาหลังนี้แทนโบสถ์ได้ทำสังฆ ก, กรรมทำทสังฆ ก, กรรมได้ทุกอย่างจากนั้นเมื่อตอนเย็นก็พระสงฆ์ก็จะขึ้นมาไหว้พระรำวัดเสร็จแล้วก็ทำความเข้าใจกันว่าวันนี้เป็นวันปรารณาออกพรรษา พวกเราควรไปฏิบัติตนอย่างไรจากนั้นก็ทําความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เป็นหัวหน้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยนั่งประยงกระยงปนมมือนั่งคุกเข่าปนมมือบรนเหลวไหว้พระจากนั้นก็กล่าวว่านมโมพร้อมกันทุกองค์นั่งกระยงทุกองนะจากนั้นก็ว่านโมพร้อมกันข้าพวกข้าพรเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น คือพุทธศาสนาเนี่ให้นึกย้อนหลังนะยึดนึกย้อนหลังไปหาประวัติศาสตร์คือพุทธศาสนาหรือคำปรารณานิไครเป็นผู้บัญญัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูที่ท่านบัญญัติศินและวินัยให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราจะทําสังฆกรรมเราก็ควรจะน้อมําลึกถึงพระพุทธเจ้าจังห่ะประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสอยู่ได้เนี่ยคืออยู่ด้วยประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของศาสนาจากนั้นก็นโมตัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งจากนั้นหลวงพ่อเองก็เป็นผู้นำเล ว, ว่าว่าประวรณาต่อสุงสร้างคำอวุโสปวารเรมิดิเทนวาสุเตนวาปริสร้างกายวาวรันตุมัง อายะสัมมันโตอนุกรรมปังอุปาดายะปัดทัานโตปฏิกริษามิผมขอประวรณาต่อสงฆ์พวกสงฆ์ทั้งหลายที่เห็นผมการกระทําของผมความคิดของผมการกระทําของผมการพูดของผมเท่ไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยหรือแนวความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดพวกท่านทั้งหลายเห็นว่าผมทําไม่ถูกต้องไม่มี ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยผมขอปวารณาต่อสงฆ์ขอพระสงฆ์จงปวารณ า, าว่ากล่าวตักเตือนผมได้ในทางที่ถูกต้องผมจะได้สํารวมระวังต่อไปอันนี้ ค, คือความแปลและความหมายในพระบาลีอันนี้เมื่อพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธเจ้าได้ท่านาได้ประกาศหรือว่าได้บัญญัติวินยัยปกคปําปวารณาพระองค์ก็ปวารณาต่อสงฆ์เหมือนกันนะ ครั้งแรกดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเห็นเราตถาคตทำอะไรคิดพูดทำอะไรที่ไม่ถูกต้องขอพระสงฆ์จงบอกกล่าวเราตถาคตได้เราตะเราตะภาว า, านี่พะพระมหาพระสารีบุตรที่เป็นอัครสาวกท่านประคองอัญชลีคล้า ย, า ย, ายวบบนงกุเขาปนุมือยกมือสุดสุ ด, สดโอพ้พระพุทธองค์ อย่าได้ตรัสอย่างนี้เลยพระเจ้าข่าพระองค์เป็นสยามผูรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกข่าพระองค์เป็นผู้ประวรณาพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่พระพุทธองค์ไม่สมควรที่จะตัดอย่างนี้หรอกพระเจ้าค่าขอพระองค์บอกเออบางทีเราอาจจะมีส่วนเพราะฉะนั้นเราจึงประวรณาเนี่ยอันนี้ก็คือ ความเป็นมาของพระพุทธศาสนานะท่านถึงจะเป็นใหญ่ท่านก็ยังปวารณาแสดงความจำลองที่จะปะวารณาจากนั้นก่อนเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปวารณากันถ้ามีผ้ามีมากแล้วทำยังไงถ้าเป็นร้อยเป็นพันแล้วจะทํำยังไงถ้าเป็นร้อยเนี่ยอายุพรรษาเท่ากันอย่างพารรษาปีนี้บวชด้วยกันปีนี้ทั้งหมดมีกี่องค์ผ้าทั้งหลายจะรู้กัน แล้วก็พูดประวัณาพร้อมกันพราะพระเยอะนะแล้วก็พรรษาที่เท่านั้นพันษา20พูดพร้อมกันพันษาสีเกพูดพร้อมกันบันที่18พูดพร้อมกันบันที่17พูดพร้อมกันลักษณะอย่างนั้นแหะไล่ลงมาเรื่อยๆแต่ถ้ามันน้อยอย่างวัดของเราสามสี่สองค์หลวงพ่อจะเรียงองค์เป็นองค์อค์ไปหลวงพ่อพูดพูดจบแล้วองค์ที่สองก็พูดประวณา องที่สามก็พูดพอพูดแล้วก็นั่งนั่งพับเพียบลงนะแต่ก่อนที่ยังไม่ได้พูดนั่งกระยงนั่งกระยงกท็ทรมานพอสมควรอยู่นั่งกระยงนานนะแต่จะทํายังไงได้อันนี้คือพระพินัยที่ท่านบัญญัติเราต้องอดทนบ้างเมื่อลุงพ่อสมัยเป็นพระน้อยหลุงพ่อก็นั่งกระยงเมืออพวกท่านนะต่อมาพวกท่านเป็นผู้หัวหน้าขึ้นมาพวกท่านก็นั่งก่อนเพื่อนนะอันนี้เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดาของวิทย์นัยต้องปฏิบัติตามที่พระธรรมคำสอนที่ท่านตรัสไว้แล้วนะในหลวลงพ่อบอกว่าเนี่ยเมื่อปวารณาเสร็จแล้ ว, ล, วล้ว ป, ปวารณาออกมาจากใจจริงไม่ใช่พูดกันเล่นๆห ล, ลอกๆออแล้วก็พูดแล้วจบๆไปถ้าหากว่ามีองค์ใดใครตักเตือนว่ากล่าวโกโมโหโกธาผูกพยาบาทอาฆาตกันก็ไม่น่าจะถูกเพราะว่าเราปรวารณาต่อกัน น, ะนี่แหละ ถ้าว่าเป็นครวาิญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายประวรณาต่อกันได้ไหมอย่างสำนักงานหรือว่าส่วนราชการหรือบริษัททางราฐตลอดถึงครอบครัวครอบครัวมีพ่อแม่ลูก เ, เวลาวันเกิดของพ่อประวรณาการปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแม่บ้านลูกทุกคน ที่พ่ออยู่ด้วยกันพวกเราอยู่ด้วยกันพ่ออาจจะทำอะไรมันไม่ถูกคิดไม่ถูกทำไม่ถูกพูดไม่ถูกเป็นที่ไม่สบายใจของลูกๆของแม่บ้านขอให้แม่บ้านและลูกๆว่าเก่าตักเตือนผมได้นะผมยินดีรับฟังที่พูดเป็นเรื่องราวผมจะปรับปรุงแก้ไข ทั้งแม่บ้านก็เหมือนกันปราวณาต่อพ่อบ้านปราวณาตัวลูกๆแต่ลูกอีกเหมือนกันภาวณากับพ่อกับแม่เหมือนกันผมาการเป็นอยู่ในครอบครัวถ้าผมทำอะไรไม่ถูกนะขอให้พ่อคุณแม่น้องตักเตือนผมได้พี่ๆหรือน้องตักเตือนผมได้ผมจะได้สํารวมระวังต่อไปในสิ่งที่มันไม่ดีนี่แหละแต่ทุกคนออกมาจากใจจริง หลวงพ่อว่าเรานำมาประยุกใช้ในครอบครัวหรือว่าในวงการของพวกเราก็จะเกิดประโยชน์มากที่เดียวเพราะเหตุว่าคำปราราคำนี้เนะี่ยใครๆเหมือนกับยักษ์เยื่อเข้าตาของเราแต่ทำไมเอาออกไม่ได้มันอยู่ใกล้ตาของเราแท้ๆทำไมมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ใกล้เกินไปคนอื่นมองเห็น ความผิดของเราก็เหมือนกันความคิดการกระทาหรือการพูดของเราก็เหมือนกันมันอยู่ใกล้เกินไปมองไม่เห็นคนอื่นที่เห็นการกระทำของเราเขามองเห็นในเมื่อเขามองเห็นเขาก็ว่ากล่าวตักเกือนเราเป็นผู้หวังดีด้วยกันหวังดีสิงไหนที่มันไม่ดีเจตนาดีไม่ใช่เจตนาร้ายพูดก็โชคฮกหกักดูถูกเยยดย่ำพูดแบบ ถ้าแม่ให้ความเคารพไม่ให้เกียดกันอันนั้นใช้ไม่ได้ น, นั้นเป็นว่าพารชนแต่ภาพประวัณนากัรอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่งกระยองปนมือทุกคนว่ากก่าเป็นช่วงๆทอดๆไปจนถึงองค์สุดท้ายนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้มีหลายๆอย่างในหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้า ว, วางไว้การป ก, ปกครองส่ง นี่แหะทางว่าพวกเรานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์อย่างที่พระสงฆ์เหมือนกันพระสงฆ์ในเป็นประชาธิปไตยมากนะทำไมทําไมจึงว่าเป็นประชาธิปไตยมากสมว่าพระภิกษุประชุมประชุมกันเป็นพันเป็นหมื่นหรือว่าเป็นแสนเนี่ยพอประชุมกันแล้วเนี่ยลงมติคณะในเรื่องนี้ประกาศสองสาครั้งแต่องค์หนึ่งยกมือขึ้นข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยที่สงลงมติกันเนี่ย อา้าวท่านชี้แจงอแปลว่ามตินั้นแปลว่าตกเลยนะที่ที่ที่ลงมติขณะตกตกไปก่อนยุบไปก่อนเอาท่านชี้แจงเอพอท่านชี้แจงปูปุปะป ะ, ปะเฮอไม่เป็นตุเป็นตาคล้ายๆกับว่าอคัดค้านแบบไม่มีเหตุไม่มีผลอสงทั้งหลายก็นั่งฟังพอนั่งฟังเสร็จล้วสวนประกาศท่านอย่าพูดอย่างนี้อีกต่อไปนะ ท่านพูดเนีไม่มีเหตุผลเอา้าประกาศด้วยซิสงว่ามีเหตุผลไหมพระองค์นี้พูดเน่ะสงยกมือทั้งหมดไม่เห็นด้วยที่พระองค์นี้พูดพูดด้วยทิฐิมานะยาพูดอีกนะถ้าท่านพูดอีกต่อไปนะเนี่อสงจะต้องประนามเอเมื่อพูดอีกครั้งที่สองที่สามเนีะ่ะสงสวดประกาศเลยทนายปรับอาบัดอย่างแรงเลยออกจากหมู่เพื่อนอีกต่างหากไม่นับเนื่องว่าเป็นสงในกลุ่มของเรา พอพูดอะไรมิมีเหตุมีผลคัดค้านแบบบ้าบ้าบ้องบ้องฮะอย่างนี้เน่ยในหลักของพุทธศาสนาท่านเป็นอย่างนั้นนะท่านเป็นประชาธิปไตยมีใครองค์หนึ่งคัดค้านขึ้นมาสังฆกรรมนั้นก็ตกไปแต่ก็หยิบขึ้นมาอีกเอาองค์นั้นมาชี้แจงท่านเห็นอย่างไรท่านเห็นถูกหรือท่านเห็นผิดที่ท่านที่ท่านเห็นไปเนี่ยในเมื่อเห็นถูกก็ยอมรับกันถ้าเห็นผิด สงก็ต้องประนามนี่แหละอันนี้แหละคือการปกครองของพระสงฆ์ปกครองด้วยศีลและวินยัยสรุปแล้วก็คือเรื่องทิฏฐิมานะความคิดพยาบาทอาฆาตด้วยความอิจฉากันไม่ควรจะเกิดขึ้นฉันทากติโทสากติโมหากติพยาคติไม่ควรจะเกิดขึ้นในกลุ่มในกลุ่มพระสงฆ์ น, นี่แหละพระพุทธศาสนาที่ยืดยาวละเป็นมาได้ในการ ปกครองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิโยมทุกคนนะอย่าทำอะไรอย่าเป็นดันทุลังถ้าดันทุลังมันเป็นมันติดภพติดชาตินะ่ อ, อมันติดภพติดชาติอย่างพระฉันนะนะออสมัยก่อนก็ไม่ใช่ธรรมดาในฉะนะันน อ, อไม่ยอมใครง่ายๆในเมื่อพระเวทจันดรกับนางบัต ช, ชีเข้าไปอยู่ป่าเขาวงกฏ เ, เขาคนเอานาย ชันหน้าเนี่ย เ, เป็นเป็นรักเป็นผู้รักษาด่านรักษาปกป้องคนใครเข้าไปเนี่ยต้องผ่านชันหน้าซะก่อนอแปลว่ามีธนูมีหมาคล้ายๆว่านี่แหละขั้นเด็ดขาดเลยล่ะที่จะเข้าไปผลที่สุดพามโ ช, ชกเข้าไปโชกเข้าไปชันหน้าก็จะจัดการเหมือนกันหมาก็ไล่กัด ตาพามตาพามเูาวิ่งขึ้นต้นไม้แล้วก็กะบอกมีกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ที่ใส่พริกใส่เกลือนะเพราะพามเดินทางไกลก็ต้องมีพริกมีเกลือไปตามกินไปตามทางนะพารามคนนี้ก็โชวโชคคนนี้ก็ยกกระบอกไม้ไผ่นาะยพรานนะพามก็ถามตะแกจะเข้าไปอะไรเนะี่ยไปขอ เลยพราหมณ์ทั้งหลายมันไปขอรบกวนพระเวทสันดร น, นางมัตชีเลยเนี่ยข้าจะไม่ให้ชีวิตตะแก่แล้วต่างพราหมณ์คนนี้ก็โกหกได้ใช่ไหมไอ้เยพานเ ธ, เธอรู้ไหมเนี่ยข้าข้าเนี่เป็นใครเ่ข้าเป็นนำสารของพระเจ้าแผ่นดินนะมาส่งให้พระเวทสันดร น, นะถ้าเธอข้าข้าข้ า, ขานั่นแหะเธอต้อง ตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรนะเข้าใจไหมนี่นี่ก็พระราชสารอยู่อยู่ในกระบอกนี่สมัยก่อนเขาศารเขาก็ยัดใส่กระบอกกลัวฝนกลัวเออมันเปียกมันเปื้อนใช่ไหม เ, เพราะว่ามันมีถุงพลาสติกอย่างทุกวันเนยเขาก็ยัดใส่กระบอกปิดให้ดีฮะที่แท้มันเป็นกระบอกเกลือกับกระบอกพริกนะนายฉันนายนายผ่านเจตบุตรได้เห็นแล้วก็ อ, อยกมือไหว้อ่า โค้งแล้วโค้งอีกว่างั้นโอ้โหนำพระราชสารไปให้พระเจ้าแผ่นดินพระเวทชันดอนที่แท้เนีมันาพามชูชกโกหกว่างั้นนะเนี่ยทำไมจึงโกหกได้ในพระวิในธรรมคำสอนเขาบอวกว่ามันบา ร, รมีมันต่างกันคือชูชกเนี่ยจะได้เป็นพระปฏิเจกพุทธเจา้าในายนายพานเจตบุตรเนี่ยจะได้เป็นพระสาวกผู้ที่มี บรัลรมีเหนือกว่าเนี่ยโกหกคนที่บรัลรมีน้อยกว่าเนี่ยพูดเข้าไปเนี่ยยกมือแล้วยกมืออีกยอมรับล่ะนี่แหละอันนั้นพอลงมากันน่ะฉันน่ะขมัดหมาไว้เนี่นพานเจตบุตรมัดหมาไว้เสร็จแล้วก็มาชี้แจงเน่ะพระเวชจะดอนอยู่เขาลูกโน้นโน้นไปอย่างงน่นไปเนี่ยพรามกัฟังล่ะทนายอ่าผลสู่ก็ได้พรามสู่ชกเลยกับไปถึงพระเวชจะดอนจริงๆได้ไปขอนางกัรหา ชาลี Charlie, ในเรื่องราวนะ่ะเนี่แหละทรุปแล้วก็คือชนะคนนี้แหละพอมาเกิดในภพนี้ชาตินี้ก็ น, นำพระพุทธเจ้าไปบวชพอไปบวชใช่แล้วก็พอกลับมาพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสั่งสอนโลกแต่ในต่อมาชันะก็บวชแต่บวชเข้ามานี่ยไม่ยอมฟังใครเนะี่ยมันมันเป็นติดภพติดชาตินะ นิสัยดันทุกลังนะพวกเราท่านทั้งหลายนะใครก็ตามนะอย่าไปฝึกหัดดันทุกลังต้องมีเหตุมีผลจากนั้นพระชนะเนี่ยก่อนพอบวชเข้ามาแล้วไม่ยอมฟังใครเฮ้ ย, อยพอสู่เจ้าทั้งหลายพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นได้ดิบได้ดีมาแล้วเนะี่ยข้าเป็นสารีบุตรข้าเป็นโมกขาลาข้าเป็นกัจจปะข้าเป็นอาณ น, น ก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะได้เป็นอย่างนั้นคือมามใครเป็นคนนําพระพุทธเจ้าไปบวชผมเนี่ยอขึ้นเกาะหลังนําพระพุทธเจ้าไปบวชท่านจึงได้ดีได้ดีขนาดนี้ผมเนี่ยเป็นคนสําคัญกว่าลักษณะอย่างนั้นแหละคล้ายๆกับว่าพูดแล้วไม่ฟังคําใครดันทุกหลังพระพุทธเจ้าเรียกพระโต้งเรียกชนะพระชนะมานี่มากระโผดที่บอกกรกลมหน้าฟัง อ่พอพ้สายตาไปเอาแล้วคือเกขาอไม่ยอมฟังใครพระพุทธองค์ก็ยอมเหมือนกันนะสรุปเลยพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ก็ยอมยอมคมดันคนดันทุลังไม่รู้จะทํำยังไงอด่าแล้วก็ด่าอีกพอเรียกมาก็ยอมสะกถ้าปล่อยถ้าพูดไปกเป็นดันอีกด่าอีกไม่เลือกหน้ากัอไม่ได้เรื่องว่าอักขระสาวบกพระพุทธองค์บอกว่าชนะเอ่ โมกขลาไอสารีบุตรก็ดีโมกขลากจ็จะปาอานน์เป็นกระยาณมิตรที่ดีของเธอนะเธออย่าไปปาหมาทอย่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกให้แสดงความเคารพเพราะท่านเป็นรุ่นพี่ท่านบวชก่อนเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีบุญบารมีทั้งสมมาดีแล้วเธอควรจะให้ความเคารพกต่งเงียบเอพอาะออกไปเฮ้ยพระเหล่านี่้ อ, อวดดี ก่อนที่จะได้เป็นอย่างนี้ขึ้นมากกันนี่ยนละเราเนี่เป็นผู้นำพระพุทธเจ้าไปบวชนะอ้างอยู่อย่างนั้นพระองค์ก็ไม่รู้จะทำยังไงนจนวาระสุดท้ายที่พระพุทธองค์จะปรินิพานาได้สั่งเสียพระารนนท์ว่าดูก่อนอานนท์เมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วปรินิพานแล้วให้พวกเธอลงพมธันฉันนะนะ เ, เมื่อเราอยู่ที่ไม่ฟังหรอ พ่อไม่ใคกล้าเหรอใครกล้าว่าถ้าเปรียบเทียบกับบ้านนอกเรื่องบ้านในของเราก็คือหมามีเจ้าของเหมือนกันอ่ะเออใครก็ไม่กล้าปนาม่ข้าพูดเอออันนี้ก็เมื่อเราตถาคตไปแล้วเนี่ยให้พวกเธอทั้งหลายลงพรมพรมพันกับฉันนะนะทำอย่างไงหนอพระเจ้าข้าลงพร ม, มทันนั่นแหละให้พวกเธอทั้งหลายมาไปชุมพร้อมกันทั้งหมดพระเทระ มาไปชุมพร้อมกันแล้วก็สวดยติประกาศประกาศว่านี่นะต่อไปนี้นะเมื่อพระธองค์ก่อนจะไป น, นิพพานพระองค์ได้สั่งเสียว่าให้ลงพรมทานกับชนะการลงพรมทานนั้น ท, ทั้งทำดังต่อไปนี้คือพระสงฆ์ทั้งหลายเรียกพระชนะเข้ามาในกลุ่มสงฆ์แล้วก็ประกาศให้ทราบว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระสงฆ์ทั้งหลายท่านชนะ จะพูดจะดา่าจะปริพากดูถูกเหยียดหยามองค์ไหนท่านพูดได้ตามสบายใจเอาเลยจะด่ายัางไงจะทำยังไงทำได้ตามสบายใจแต่สงฆ์ทั้งหลายอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสำคัญอย่าไปนับเรื่องว่าชนะเป็นหมูเป็นหมูของเราท่านชนะจะด่าจะจะทำอะไรก็ทำตามสบายใจเราไม่ต้องไปอยู่ด้วยไปกินด้วยเป็นนับเนื่องว่าเป็นหมูของเรา ให้เป็นอิสระใครจะไปยืนคุยด้วยใครจะไปนั่งฉันด้วยไปร่วมสังฆกรรมด้วยให้ชนะนเป็นอิสระจะทำจะไดจะพูดอะไรตามสบายนะขอให้สงฆ์ทั้งหลายรับทราบท่วนหน้ากันไใ น, นเมื่อพระชนะนไม่มีหมู่จะทำยังไงล่ะ เอเอพุทธิกษุสา ม, มเณรทั้งหลายแหละเฉยพระนะมากะเดินเฉยไม่พูดด้วยจะได้ไงก็เฉยเออเอาเหลอพอช น, นะได้ยินเท่านั้นล่ะได้ช น, นะเป็นลมเข่าอ่อนแล้วงี้ยหงายหลังเลยตาเหลือกแล้วเงนนะ้ยเพราะว่าสงฆ์ทั้งหลายไม่นับเรื่องโอ้ยข้าพระเจ้าขอยอมต่อสงฆ์ขอให้ข้าพรเจ้าขอให้นับเนื่องข้าพรเจ้าโดยเธอข้าพรเจ้ายอมทุกอย่างล่ะจะไม่พูด สิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเออเอาถ้าท่านยอมแล้วก็สวดประกาศกรับขอประกาศให้สงส์รับทราบชนะในยอมแล้วจะเป็นพระอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยจะขอรบพระอหุโสภันเตในหลักธรรมคำสอนตอนนี้ต่อไปเอาตั้งแต่บัดนี้ไปขอประกาศให้รับชนะเป็นหมู่เป็นเพื่อนอย่างเก่านะ จากนั้นฉันนะก็เลยเป็นพระดิบพระดีขึ้นมาอย่างนั้นท่านก็ได้บําเพ็ญท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์นะนี่แหละขนาดนิดสัยมรรคผลนิพพานยังมีอยู่พระชั น, นะก็ยังดันทูลังถึงขนาดนั้นนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลา ย, เ, ย เ, หาเห็นคนก็ตามเห็นคนก็ตามพระก็ตามใครก็ตามถ้าดันทุล琅นะพวกเราให้นึกนึกถึงพระชันนะเลยนะให้นึกถึงพระชันนะ บอกว่าในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังเอาไม่อยู่พอตอนนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเห็นกันแล้วก่อนี่ยถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นก็เราก็ทําใจทําใจเฉยๆไว้ขนาดพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูรู้แจ้งโลกเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแท้ๆยังเอาช น, นะไม่อยู่ะจนมอบให้คณะสงฆ์เป็นผู้ลงพมันทันในครั้งสุดท้ายนี่แหละ อันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วก็มีหลายเรื่อยเรียมชั้นเชิงที่หลวงพ่อได้พูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อเป็นแนวคิดเพื่อเป็นเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุท ธ, ธบริษัทอันนี้ก็คือวิถีที่หลวงพ่อพู ด, ดมาทั้งหมดนั่นคือวิถี การอยู่ด้วยกันคือศิลและวิ น, นัยได้จะพูดอีกแบบทางลกู่ก็ว่าคือกฎหมายกฎหมายป ก, ป ก, ปกครองสงฆ์แต่ในพระธรรมคําคสอนวิ น, นัยศิลและวิ น, นัยที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบอาวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดในการอยู่เป็นอยู่ของพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลเพื่อเป็นแนวความคิดของพวกเราเพื่อการศึกษาถึงคําประวารณามีความหมายว่าอย่างไรนํามาใช้เกิด เป็นฆรวาสญาติโยมเอามาใช้ได้ไหมหลวงพ่อว่าน่าจะนำมาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ที่เดียวถ้ารู้จักใช้นะต่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร